วันนี้เป็นวันเสาร์ที่12มกราคมพุทธศักราช2562เป็นวันหยุดทำงานเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงตั้งใจมาวัด เพื่อมาทำภารกิจทางจิตใจที่เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งกว่าภารกิจทั้งหลายเพราะจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่มีคุณค่ากับพวกเราทุกคนที่เป็นสมบัติที่แท้จริงของพวกเรา ที่พวกเราต้องดูแลรักษาให้มากยิ่งกว่าการดูแลรักษาร่างกายของพวกเราร่างกายของพวกเราเป็นสมบัติชั่วคราวไม่นานมันก็ต้องหมดสภาพไปแต่ใจของพวกเรา ไม่มีวันหมดสภาพดังนั้นการดูแลรักษาใจจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นสำคัญมากกว่าการดูแลรักษาร่างกายและสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ที่เรามีกันสุขภาพของร่างกายอวัยวะต่างๆของร่างกายชีวิตของร่างกายสิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญเท่ากับจิตใจเพราะสิ่งต่างๆที่เรามีกันในโลกนี้ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องทิ้งมันไปหมด เวลาที่ร่างกายถึงแก่ความตายไปเราไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปกับเราได้เลยนอกจากาธรรมะที่เรามาศึกษามาปฏิบัติมาสร้างกันเพื่อไว้ดูแลรักษาจิตใจให้มีแต่ความสุข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 ดูแลจิตใจของพวกเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ต่างๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดสภาพใดก็ตามจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็ตามถ้าจิตใจมีธรรมคุ้มครองรักษาจิตใจจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์อยู่ในใจเลย น, นี่คือประโยชน์ของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาศึกษามาสร้างกันการปฏิบัติก็คือการสร้างธรรมะที่เรายังไม่มี ให้มีเกิดขึ้นมาภายในใจใจเราสมมติถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนอแผ่นดินที่ดินที่ดินนี้ถ้าเราไม่มีการพัฒนาก็จะเป็นที่ดินเปล่าๆถ้าเราเอามาพัฒนาเช่นถ้าเราเป็นชาวนาวชาวไร่เรามีที่ดินที่ว่างเปล่า เราอยากให้ที่ดินนี้มีประโยชน์มีคุณค่าขึ้นมาเราก็ต้องมีการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆปลูกข้าวปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ชนิดต่างๆพอเราได้มีการเพราะปลูกข้าวปลูกผลไม้ชนิดต่างๆเดี๋ยวไม่นานเราก็จะได้เก็บเกี่ยว ผลของต้นไม้ต่างๆปลูกข้าวเราก็จะได้มเมล็ดข้าวปลูกกล้วยเราก็จะได้กล้วยปลูกส้มปลูกสับปะรดปลูกอะไรต่างๆเราก็จะได้ผลไม้ชนิดต่างๆขึ้นมาผลไม้ชนิดต่างๆเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นมาเองไม่ไม่โผล่ขึ้นมาจากดินเองเราต้องเอาอ กล้าของต้นไม้ต่างๆมาเพาะปลูกในดินแล้วก็คอยรดน้ำพรนดินคอยปกป้องรักษาภัยที่จะมาคุกคามเช่นวัชพืชหรือมแมลงต่างๆพอเราดูแลรักษาไม้ที่เราปลูกกันไว้เดี๋ยวไม่นานต้นไม้ก็จเริญงอกงามขึ้นมา ออกดอกออกผลให้กับเราใจของพวกเราที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็เป็นเหมือนแ ผ, แผ่นดินที่ดินที่ยังไม่ได้มีการเพาะปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆแต่พอเรามาศึกษามาปฏิบัติธรรมเราก็จะได้มีต้นธรรมปรากฏขึ้นมา มีผลของธรรมปรากฏขึ้นมาผลของธรรมก็คือมรรคผลนิพพานนี้เองหรือถ้ายังไม่ถึงระดับมรรคผลนิพพานก็จะได้ระดับสุขโตสุคติเกิดได้พบชาติที่มีแต่ความสุขมากแต่ความทุกข์เช่นพบของเทวดาพบของพรหม สิ่งเหล่านี้ต้องเกิดจากการกระทาไม่ได้เกิดขึ้นมาเองใจของพวกเราถ้าเราไม่พัฒนามันก็จะไม่เจรานเติบโตขึ้นไปถ้าเราปล่อยให้มันอยู่ตามสภาพที่มันเคยเป็นอยู่มันเป็นอย่างไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราอยากจะให้มันดีขึ้นสูงขึ้นเราก็ต้องมา ปลธรรมะกันปลูกต้นธรรมธรรมะที่จะทําให้เราได้มรรคผลนนผพานนี้เรียกว่า อ, อินทรีห้าหรือพระห้าอินทรีห้ากับพระห้านี้ต่างกันตรงที่อินทรีย์นี้เปรียบเป็นเหมือนเด็กส่วนพร ะ, ะนี้เป็นเหมือนผู้ใหญ่ อินทรีห้าพละหา้าได้แก่อะไรก็ได้กก่นหนึ่งศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สองวิริยะความกยันมันเพียนหรือความภาคเพียนสามสติคือการระลึกรู้สี่สมาธิ คือการตั้งมั่นของจิตใจและห้าปัญญาความรู้ฉลาดรอบคอบอันนี้เรียกว่าปัญญานี่คือคุณธรรมห้าประการด้วยกันที่เราจำเป็นจะต้องปลูกฝังสร้างให้เป็นต้นไม้ขึ้นมาสร้างให้เป็นต้นธรรมะขึ้นมา แล้วต่อไปมันก็จะออกดอกผลของธรรมออกเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาตอนที่เราเริ่มต้นปลูกเราก็จะเรียกว่าเป็นอินทรีย์แล้วพอเราอคอยปฏิบัติเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเจริญเป็นพร ะ, ะขึ้นมา ตอนที่เป็นต้นกล้านี่เรียกว่าเป็นอินรียแล้วพอเราคอยเลี้ยงดูต้นกล้านี้ให้เจริญเติบโตพอโตขึ้นมาเป็นต้นไม้เราก็เรียกว่าพละห้าพอเป็นพละห้าแล้วเดี๋ยวมันก็จะออกดอกออกผลขึ้นมาตอนนี้ตานที่เราเริ่มต้นนี้ ตอนที่เราก็าหาธรรมะกันใหม่ๆตอนที่เราให้ความสนใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อการปฏิบัติตามพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็เหมือนกับเรามีต้นกล้าของต้นธรรมนะที่เราจะเอาไปปลูกในใจของพวกเรา พอเราปลูกแล้วเราก็ขยันคอยดูแลรักษาดูแลรักษาทมก็คือศึกษาให้มากขึ้นปฏิบัติให้มากขึ้นนั่นเองพอเราศึกษามากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นภาะห้าก็จ ะ, จะเจริญเติบโตอินทรีห้าก็จ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับแล้วก็จะกลายเป็นภาระห้าต่อไป ตอนเริ่มต้นนี้เราก็มีศรัทธาแบบเด็กล้มลุกคุกขานมีวิรยิยะความขยันมันเพียนแบบเด็กบางทีก็ขยันบางทีก็ขี้เกียจเรียกว่าล้มลุกคุกขาดสติก็มีบ้างไม่มีบ้างบางทีก็เผลอสติปล่อยให้ใจลอยคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันไปบางทีก็มีสติ หนึ่งจิตหนึ่งจิตให้ตั้งอยู่ในสมาธิอยู่ในความสงบบางทีก็มีปัญญาที่มองความเป็นจริงมองตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามองเห็นไตรลักษณ์มองเห็นอริยาาสัจสีแต่ไม่ได้เห็นแบบต่อเนื่องแบบตลอดเวลาเห็นแบบล้มลุกคลุกคาน บางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นสมาธิบางทีก็สงบบางทีก็ไม่สงบสติบางทีก็ระลึกรู้อยู่กับพุทธโธบางทีก็หายไปหายไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็เรยังไม่สามารถผลิตดอกผลให้กับกับใจได้ธรรมะยังไม่สามารถผลิตดอกผล คือมากผลที่ผ่านได้แต่ถ้ามันเพียรพยายามศึกษาแล้วก็จะเกิดวิริยะความกยันมันเพียรขึ้นมาการศึกษาการฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆเป็นเหมือนกับการเติมศรัทธาให้มีกำลังเพิ่มมากขึ้นเพราะเวลาเราได้ยินได้ฟัง ธรรมะเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังเรื่องของพระธรรมคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องของพระอริยสงสากของพระพุทธเจ้าผู้เป็นตัวอย่างของผู้ที่ได้ปลูกฝังอิอนทรีห้าภละห้าได้อย่างเต็มที่ ได้รับมรรคผลนิพพานจากการที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมพอเราได้ยินได้ฟังเราก็จะมีศรัทธาเพิ่มขึ้นมีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่ตัดสรุธรรมด้วยพระองค์เองเป็นผู้ที่สามารถผลิตมรรคผลนิพพาน ให้กับพระ อ, องค์เองได้สามารถบรรลุถึงการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอีกต่อไปอยู่กับพระนิพพานที่เป็นมลลมมสุขที่เป็นความสุขที่สูงสุดเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนพอเรารู้ว่าพระพุทธเจ้า มีสมบัติอันประเสริฐและท่านสามารถมอบให้กับพวกเราได้วิธีที่ท่านจะมอบให้กับพวกเราก็คือสั่งสอนพวกเราให้เรามาปลูกฝังธรรมะกันภายในใจเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์แทนที่จะเอาเวลาอันมีค่าไปปลูกฝังกิเลสตัณหาก็ให้มาปลูกฝัง ธรรมะจะดีกว่าการปลูกฝังกิเลสตัณหาปลูกฝังอย่างไรก็เวลาที่เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันนี่อันนี้แหละเป็นการปลูกฝังกิเลสตัณหาถ้าเราไปหาลาบยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเรากาลังไปปลุกฝังกิเลสตัณหา ที่เป็นตัวที่จะมาคอยอทําร้ายจิตใจเป็นตัวที่จะมาคอยสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจของพวกเราอยู่เรื่อยๆโดยที่พวกเราไม่รู้สึกตัวเพราะว่าความหลงของพวกเราจะทําให้เรามองไม่เห็นว่าการหาลาบยศสารเสรินหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นการหาความทุกข์ เพราะว่าลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่พวกเราคิดว่าให้ความสุขกับเรานี่มันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นความสุขที่จะต้องมีวันหมดไปพอเวลามันหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีอันนี้เรามองไม่เห็นกันเราเห็นแต่ความสุข ที่เกิดจากเวลาที่เราได้ราบยศสรรเสริญได้ความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะแต่พอเวลาที่ราบยศสรรเสริญเวลาที่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหมดไปเวลานั้นเรารู้สึกแข็งงเวลานั้นเราจะรู้สึกเศร้าโศกเสียใจรู้สึกเหงารู้สึกว้าเหว เพราะไม่มีอะไรให้ความสุขกับเรามันก็เลยต้องทำให้เราต้องคอยดิ้นหาใหม่อยู่เรื่อยๆเดินหามาบยศสรรเสริญเดินหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เรื่อยๆเดินหามาได้มากน้อยเพียงไรมันก็หมดไปแล้วพอร่างกายที่เป็นเครื่องมือที่ให เราหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายสิ้นสุดลงมันก็ทําให้เราต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่เราจะได้มามีลาบยศสรรเสริญมีความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายใหม่นั่นเองเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่าไม่ว่าจะเกิดมากี่รอบก็ตาม ร่างกายมันก็ต้องตายไปทุกรอบร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปทุกรอบและช่วงที่มันแก่มันเจ็บมันตายก็เป็นช่วงที่ทุกทรมานใจแทบจะหาความสุขไม่ได้เลยเวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายตายไป น, นี่คือความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการที่เราไปปลูกฝังกิเลสตัณหาแทนที่จะมาปลูกฝังธรรมะเราไปปลูกฝังกิเลสตัณหาเช่นคนที่ไม่มาวัดกันในวันนี้ไปเที่ยวกันไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันอันนี้ก็เป็นการไปปลูกฝังกิเลสตัณหาคือความโลภความอยากต่างๆนะ การจะไปเที่ยวได้นี่ต้องมีความอยากก่อนวันที่อยากไปเที่ยวอยากจะไปดูหนังฟังเพลงอยากจะไปกินไปดื่มไปอะไรต่างๆอันนี้เรียกว่าเป็นความอยากทางกามที่เรียกว่ากามมตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆด้วยตาหูจมูกรินกาย นี่แหละเรียกว่าเป็นการปลูกฝังกิเลสตัณหาการกระทำตามกิเลสตัณหาเรียกว่าเป็นการปลูกฝังกิเลสตัณหาให้มันมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองที่จะมาคอยฉุดลากให้เราไปาทำตามความอยากอยู่เรื่อยๆที่จะทำให้เราต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆ ก็การปลูกฝังกิเลสตัณหานี่ถ้าเราไม่ต้องการที่จะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆกลับมาทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่เรากําลังทุกกันอยู่ในขณะนีเ้เราต้องหยุดการปลูกฝังกิเลสกันหยุดเพาะ ป, ปลูกกิเลสตัณหาให้เรามาเพาะ ป, ปลูกธรรมะกันเช่นวันนี้ท่านมาวัดเนี่ยมาฟังเทศน์ฟังธรรม มาปฏิบัติธรรมตั้งกำลังมาปลูกฝังธรรมะคือปลูกฝังอินทรีย์ห้าให้กลายเป็นภาระห้าขึ้นมามาปลูกฝังศรัทธาให้มีกําลังมากขึ้นให้มีกําลังมีศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้นเพราะว่าเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะมี ความมั่นใจว่าถ้าเราได้ปฏิบัติตามทีพ่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้สอนได้ปฏิบัติเราก็จะได้ผลเหมือนกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอมันก็จะทําให้เราเกิดความขยันหมั่นเพียรขึ้นมาเราก็จะพอเรารู้ว่าการกระทําอะไรแล้วทําให้เราได้ประโยชน์นี่เราจะไม่เกียจคร้านเลเราจะขยัน เหมือนกับเวลาที่เราไปทำงานนะถ้าเราไปทำงานแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะได้เงินเดือนหรือเปล่าเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าจะไปทำดีไม่ดีทุกวันเวลาจะไปทำงานไม่รู้ว่าเขาจะให้เงินเดือนเราหรือเปล่าแต่พอเราทำได้ครบเดือนพอเขาจ่ายเงินเดือนให้เราทีนี้เราก็จะเกิดกำลังใจขึ้นมาเกิดความมั่นใจขึ้นมาว่า ถ้าเราทำงานครบเดือนเราก็จะได้เงินเดนือนพอเรารู้ว่าเราจะได้เงินเดนือนะทีนี้เราก็จะมีความขยันไปทำงานเองแต่ถ้าไปทำงานแล้วไม่รู้ว่าจะได้เงินเ ด, นเดนือนหรือเปล่ า, าเจ้านายบอกไม่รู้จะมีเงินจ่ายหรือเปล่าไม่แน่พอเราเ็าบอกว่าไม่แน่จะได้เงินเดือนหรือเปล่าบางทีเราก็อาจจะท้อไม่อยากจะทำ เดี๋ยวเกิดทาไปแล้วเกิดไม่ได้เงินเดือนขึ้นมาก็จะเสียเวลาไปเปล่าๆอันนี้ก็เหมือนกันพอเรามีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเราก็จะได้พระนิพพานได้ความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขที่ถาวร ความสุขที่ต่างกับความสุขที่เราได้กันตอนนี้ความสุขที่เราได้กันตอนนี้เป็นความสุขประเดียวประดาวเป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเนมปีใหม่ที่ผ่านมาเลี่ยงฉลองกันเออฮากันนับถอยหลังกันสวดมนต์ไหว้พระข้ามปีกันมีความสุขกันแป๊บเดียวตอนนี้หายไปไหนหมดนะ นั่นแหละเป็นความสุขที่พวกเรากำลังหากันอยู่กำลังมีกันอยู่ส่วนความสุขของพระพุทธเจ้าของป้าอริยสงสาวกนี้มีอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นวันปีเก่าปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นวันไหนเดือนไหนปีไหนมีความสุขตลอดเวลามีความสุขที่ไม่ต้องคอยมาเติมอย่างพวกเรา อันนี้แหละเป็นความสุขที่พวกเราสามารถที่จะเข้าถึงได้ที่จะมีได้ถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในคําสั่งคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วปฏิบัติตามให้ได้พอเรามีความเชื่อมัน่นมีศรัทธาที่เชื่อมัน่นเราก็จะมีความขยานหมั่นเพีย แล้วเราก็จะรู้ว่าเราต้องมาขยันหมั่นเพียรมาสร้างอะไรกันเฮะเราก็ต้องมาสร้างธรรมกันนั่นเองธรรมที่เราต้องสร้างก็มีอยู่สามนี่แหละคือสติธรรมสมาธิธรรมและปัญญาธรรมเหลนี่คือต้นของธรรมะที่จะให้มรรคผลนิพพานแก่พวกเราที่จะให้พวกเราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้เรา หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ต้องได้ด้วยจากการนำเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาปฏิบัติกันเราเอาไปปฏิบัติตามที่ท่านสอนให้ไปฝึกสติอยู่เรื่อยๆ เ, เมื่อฝึกสติแล้วก็จะสามารถเข้าสมาธิได้เมื่อเข้าสมาธิได้ก็จะสามารถที่จะไป พิจารณาทางปัญญาเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้เนี่ยพอเกิดศรัทธาแล้ววิริยะก็จะตามมาสติก็จะเกิดขึ้นมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นมาปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาตามลําดับนะอันนี้มันเป็นเหมือนลูกโซ่ทำเหล่านี้เป็นเหมือนลูกโซ่ทำห้าองค์นี้เหมือนลูกโซ่ ศรัทธาเป็นลูกโซ่ลูกที่หนึ่งลูกที่สองก็คือวิริยะความขยันหมั่นเพียรลูกที่สมก็คือสติลูกที่สี่ก็คือสมาธิลูกที่ห้าก็คือปัญญามันจะติดตามไปมาตามลำดับอย่างนั้นเป็นเหมือนเป็นขั้นบันไดต้องเกิดศรัทธาขึ้นมาก่อน เมื่อเกิดศรัทธาแล้วก็จะเกิดวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรที่จะปฏิบัติที่จะสร้างธรรมคือสติพอได้สติแล้วเวลานั่งสมาธิก็จะจิตก็จะสงบเข้าสู่สมาธิได้พอจิตมีสมาธิแล้วก็จะมิจะมีกําลังที่จะเอาปัญญาที่ได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าไปกําจัดกิเลสตัณหาต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากใจอันนี้คือการพัฒนาธรรมะจากที่เป็นต้นกล้าให้มาเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ที่พร้อมที่จะออกดอกออกผลต้องเกิดจากการปลูกฝังต้นกล้าก่อนถ้ายังไม่มีต้นกล้าไม่ปลูกฝังดินมันจะไม่สามารถผลิตต้นไม้ ต้นผลละไมชนิดต่างๆขึ้นมาได้ถ้าเราไม่มาปลูกฝังธรรมะภายในใจของพวกเราธรรมะจะไม่สามารถจเจรินเติบโตขึ้นมาให้เป็นต้นใหญ่ให้เป็นภาร ะ, ะขึ้นมาได้ดังนั้นเราต้องเอาเวลาที่เราว่างเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์แก่จิตใจเพราะเวลาอื่นเรามีภาร ะ, ะหน้าที่ ที่ยังต้องเลี้ยงดูปากท้องทำให้เราไม่สามารถที่จะมาปลูกฝังธรรมะภายในใจได้เวลาที่เราต้องไปทำงานก็เพราะว่าเราต้องมีปัจจัยสี่เราหาเงินหาทองนี้เป้าหมายแรกก็คือเราต้องมีปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายเพราะร่างกายของพวกเราทุกคนนี้ ต้องการอาหารอต้องมีอาหารรับประทานทุกวันต้องมีเครื่องนุ่งห่มไว้สวมใส่ต้องมีที่อยู่อาศัยไว้หลบฝนหลบแดดหลบภัยต่างๆต้องมียารักษาโรคไว้กําจัดโครคภัยไข้เจ็บต่างๆปัจจัยสี่เหล่านี้มันไม่มาหาเราเราต้องไปหามันอ ในเบื้องต้นเราโชคดีเวลาเราเพิ่งเกิดมาใหม่ๆตอนที่เป็นทารกนี่เรามีพ่อแม่หาให้เราเพราะเรายัางไม่สามารถหาได้เองพ่อแม่ก็เลยต้องทำหน้าที่หาปัจจัยสี่ให้กับพวกเราแต่พอเราโตขึ้นมาแล้วเราก็ต้องรู้จักหาปัจจัยสี่ด้วยตนเองเพราะเราจะไปหวังพึ่งพ่อแม่ไปตลอดไม่ได้นั่นเองเพราะพ่อแม่เขามีอายุมากกว่าเรา เขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก่อนเราถ้าเราไม่รู้จักหาปัจจัยสี่ด้วยตนเองคอยให้พ่อแม่หาให้เดี๋ยวเวลาพ่อแม่ตายจากเราไปเราก็จะตายตามเขาไปด้วยเพราะเราจะไม่รู้จักวิธีหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายของพวกเรานั่นเองเราก็เลยต้องไปหัน เรียนรู้วิธีหาปัจจัยสี่เช่นการไปโรงเรียนเราไปโรงเรียนเพื่อไปศึกษาหาวิชาความรู้ต่างๆพอเรามีวิชาความรู้เราก็สามารถเอาวิชาความรู้นี้ไปทำงานได้ไปหาเงินหาทองไปหาปัจจัยสี่ได้นั่นเองพอเราโตขึ้นมาเราเรียนจบเราก็ไม่ต้องพึ่งพ่อแม่หาปัจจัยสี่ให้กับเรา แต่เราต้องไปหามันมันไม่มาหาเราปัจจัยสี่เราจึงต้องไปทํางานกันเงานเขาก็ให้เราทำห้าวันต่อหนึ่งอาทิตย์นแล้วอีกสองวันเขาให้เราหยุดพักผ่อนหรือให้เราหยุดไปทำอะไรตามที่เราต้องการจะทําแต่ห้าวันนี้เราแทบจะไม่มีเวลาที่จะมาทําอย่างอื่นเลยนอกจากทํางานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลร่างกาย พักผ่อนหลับนอนเวลาก็หมดไปแล้วเหลือเวลาแค่สองวันถ้าเราไม่เป็นคนเข้าวัดถ้าเราไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้ว่าเราควรที่จะม า, าสร้างธรรมะกันเราก็จะไปสร้างกิเลสตัณหากันเพราะว่ากิเลสตัณหามัน คอยดึงคอยชวนเราให้ไปสร้างกิเลสตัณหาอยู่ตลอดเวลานั่นเองใจของพวกเรานี้มีแต่กิเลสตัณหาห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลาคอยดึงให้ใจของพวกเรานี้ไปสร้างกิเลสตัณหาเพิ่มกันอยู่เรื่อยๆไม่มีธรรมะเลยในใจของพวกเราถ้าพวกเราไม่ได้รับการปลูกฝังขึ้นมา ในตั้งแต่ตอนที่เราเยาว์วัยถ้าเรามาเกิดในครอบครัวที่เข้าวัดเข้าวาเราก็จะมีโอกาสที่จะได้สัมผัสรับรู้เรื่องของธรรมะกันพ่อแม่มาวัดเขาก็พาเรามาพ่อแม่มาทำบุญทำทานเราก็ดูพ่อแม่ทำบุญทาทานทำตามพ่อแม่ไปพ่อแม่นั่งฟังเทศฟังธรรมเราก็ได้ฟังเทศฟังธรรมไป เราก็จะได้มีโอกาสมาสัมผัสรับรู้เรื่องของธรรมเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอเราฟังบ่อยๆแล้วพอเราจเจริญเติบโตขึ้นมาความสามารถที่จะเข้าใจถึงเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะมีมากขึ้นไปตามลำดับแล้วเราก็จะมีความสามารถที่จะปฏิบัติตาม ที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเราปฏิบัติกันเราก็จะรู้ว่ารู้ถึงรู้ถึงความสาคัญของการปลูกฝังธรรมะภายในใจของพวกเราว่าเป็นสิ่งที่สาคัญยิ่งกว่าการปลูกฝังกิเลสตัณหาพอเรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเราก็จะเข้าวัดกันมาเข้าวัดมาฟังเทศฟังธรรม มาเจริญอิอนรียห้าให้เป็นภาระาขึ้นมามาเจริญศรัทธาเจริญวิรยิยะเจริญสติเจริญปัญญาถ้ามีการเจริญบ่อยๆก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ต่างๆเมื่อปลูกต้นไม้แล้วก็มีการลดน้ํำพวนดินอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวต้นไม้ก็เจริญโติโตงอกงามขึ้นมาถ้าปลูกต้นไม้แล้วไม่ดูแลรักษา ต้นไม้ก็อาจจะตายได้ถ้าไม่มีฝนฟ้าตกเลยถ้าไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงต้นไม้เลยถ้าเ จ, เ, จเจอช่วงแห้งแล้งไม่มีต้นไม้ปลูกยังไงต้นไม้ก็จะรินเติบโตไม่ได้ถ้าอยากจะให้เจริญเติบโตเราต้องคอยลดน้ำอยู่เรื่อยๆคอยให้อาหารแก่ต้นไม้อยู่เรื่อยๆต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตขึ้นไปอ่นี่คือ ที่มาของเรื่องของเวลาที่เราจะสามารถมีมาให้กับการปลูกฝังธรรมะได้เรามีได้ก็อาทิตย์ละสองวันสำหรับคนที่ทำงานาที่เป็นลูกจ้างที่ต้องทำตามที่เจ้าของกิจการหรือเจ้านายเขากำหนดให้ทำส่วนใหญ่เขาก็จะให้ทำห้าวันหรือหกวัน ให้หยุดอุสองวันหรือหนึ่งวันถ้าเราไม่เคยเข้าวัดเลยวันหยุดแทนที่เราจะมาปลูกถังธรรมะเราก็จะไปปลูกขวางกิเลสกันเพราะว่ามันเป็นวิธีหาให้ความสุขกับเรานั่นเองถึง แ, แม้ว่าจะเป็นความสุขแบบประเดี๋ยวประดาวเป็นความสุขแบบชั่วคราวมันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยเพราะถ้าไม่ไปเที่ยวไม่ไปทำอะไรตามกิเลสก็ไม่รู้จะทําอะไร อยู่บ้านเฉยๆก็จะรู้สึกเหงารู้จักรู้จะรู้สึกเหงารู้สึกว้าเหว่ขึ้นมาก็เลยจําเป็นที่จะต้องออกไปเที่ยวกันออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายก็จะไม่มีโอกาสที่จะมาปลูกฝังธรรมะกันออผู้ที่จะมีโอกาสมาปลูกฝังธรรมะได้านี้ต้องเป็นผู้ที่ มีโอกาสได้สัมผัสกับธรรมะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งบางท่านอาจจะมีบุญเก่าเคยได้สัมผัสกับธรรมะในอดีตก็มีความสนใจพอเจอวัดเจออะไรก็เข้าไปไปหาธรรมะกันอันนี้ก็เป็นเพราะอดีตเคยมีความสนใจกับเรื่องของ จิตใจเรื่องของธรรม ะ, อะพอมาเจอธรรมะก็เข้าหาทันทีอีกพวกหนึ่งที่เข้ามาพบกับธรรมะก็อาจจะเป็นเพราะสังคมเพื่อนชวนมาก็ได้เพื่อนเขาเข้าวัดแต่เราไม่เคยเข้าวัดเขาก็ชวนเราเข้าวัดเช่นวันนี้วันเกิดชวนมาทำบุญกันวันนี้วัดมีงานอะไรก็ชวนกันเข้ามา พอชวนเข้าวัดก็จะมีโอกาสได้พบกับธรรมะในรูปแบบต่างๆเช่นได้ฟังธรรมบ้างได้อ่านหนังสือธรรมะบ้างหรือได้สนทนากับพระสงฆ์องค์เจ้าบ้างก็อาจจะได้รู้จักธรรมะขึ้นมาแล้วก็จะทำให้รู้จักคุณค่าของธรรมะแล้วถ้าฟังแล้วเข้าใจเห็นคุณค่าของธรรมะ ก็จะเกิดศรัท ธ, ธาขึ้นมาได้อนี้คือสิ่งแรกที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นมาได้ก็คือต้องปลูกฝังศรัท ธ, ธาให้เกิดขึ้นมาก่อนถ้ายังไม่มีศรัท ธ, ธานี้จะไม่มีความขยันที่จะมาปลูกฝังธรรมะกันไม่มีความขยันที่จะมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากัน ต้องปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นก่อนต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งบางท่านก็โชคดีมาเกิดในครอบครัวที่เข้าวัดเข้าว่าอยู่เป็นประจำบิดามารดาเข้าวัดทุกวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์พอมีเวลาว่างก็พาลูกหลานพาครอบครัวมาเข้าวัดมาฟังเทศฟังธรรมกันมาปฏิบัติธรรมกัน ลูกหลานก็จะซึมซาบไปตามที่พ่อแม่ก็ทำเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเป็นอาจารย์คนแรกของลูกๆพ่อแม่ทำอะไรลูกมักจะทำตามพ่อแม่พ่อแม่พูดภาษาอะไรลูกก็จะพูดภาษานั้นลูกจะไม่พูดภาษาอื่นพ่อแม่พูดภาษาไทยลูกก็จะพูดภาษาไทยพ่อแม่กินอาหารไทยลูกก็จะกินอาหารไทย พ่อแม่นับถือพระพุทธศาสนาลูกก็จะนับถือพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นการสั่งสอนโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่รู้สึกตัวถ้าเกิดลูกไปเกิดอีกครอบครัวหนึ่งลูกก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าไปเกิดในครอบครัวของฝขลองฝรั่งพ่อแม่พูดฝรั่งลูกก็จะไปพูดฝรั่งพ่อแม่กินอาหารฝรั่งลูกก็จะกินอาหารฝรั่ง พ่อแม่ไปเข้าวัดของฝรั่งลูกก็จะเข้าวัดของฝรั่งอันนี้ใครได้มาเกิดในครอบครัวของของใครก็จะมักจะถูกหว่านล้อมให้เป็นเหมือนกับครอบครัวนั้นไปถ้าได้มถ้าได้มาเกิดในครอบครัวของพุทธศาสนาก็จะได้เป็นชาวพุทธขึ้นมาจะได้มาสัมผัสรับรู้เรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วก็จะมีศรัทธาขึ้นมาในเบื้องต้นศรัทธาก็อาจยังไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มั่นคงยังเข้าไม่ถึงอืยังไม่มั่นใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มีเป็นความเท็จจริงอย่างไรการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าจะได้ผลอย่างไรอันนี้ยังอาจจะไม่มั่นใจ จะมั่นใจได้ก็ต่อเมื่อเราต้องทดลองปฏิบัติดูถ้าผู้ที่สั่งสอนเรานี้สอนอย่างถูกต้องแล้วถ้าเราปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องผลมันจะเกิดขึ้นมาในใจของเราพอมีผลเกิดขึ้นมาในใจแล้วทีนี้ความไม่มั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็จะหายไปนี่คือวิธีสร้างศรัทธาแบบ แบบมั่นคงการแต่การได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนการได้ศึกษาปฏิบัติการได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสารบอกนี้ก็ทำให้เกิดศรัทธาขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ยังไม่มั่นคงเหมือนกับการที่เราได้ปฏิบัติตามพอเราได้ปฏิบัติตามและเราได้เห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติ ตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเราจะมีกำลังใจมีความขยันหมั่นเพียรที่จะเพียรปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้ผลกันอันนี้ก็คือการสร้างศรัทธา มีสองระดับเบื้องต้นก็จากการได้ยินได้ฟังธรรมได้สัมผัสกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งถ้าเกิดมาในครอบครัวของของครอบครัวที่เข้าวัดอยู่เป็นประจำเราก็จะได้มีโอกาสได้มาสัมผัสกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวลาที่พ่อแม่พาเราเข้าวัดกันถ้าเราไม่ได้อยู่ในครอบครัวที่เป็นชาวพุทธ แต่เราอาจจะมีเพื่อนที่เป็นชาวฟุตแล้วเขาชวนเรามาอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็อาจจะเป็นความสนใจของเราความอยากรู้อยากเห็นของเราก็ได้อยากยู้ลอยากเห็นว่าศาสนานี้มีไว้ทำไมทำไมคนถึงต้องไปวัดกันทำไมคนถึงต้องมีศาสนากันก็อาจจะศึกษาค้นคว้าดูว่า ศาสนาแต่ลศาสนานี่มีอะไรตอบสนองอะไรให้กับผู้ที่นับถือศาสนาอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งวิธีที่จะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ก็เกิดมีความสนใจเป็นคนที่ฝ่รู้ไฝ่ศึกษาอยากรู้เรื่องนั้นอยากรู้เรื่องนี้อยากรู้เรื่องศาสนาก็เราก็ไปศึกษาห า, าหาเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนามาศึกษากัน เช่นตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตนี่สบายเขียนคําว่าศาสนาเข้าไปเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมามีคําตอบเยอะแยะแล้วก็มีศาสนามากมายให้เราเลือกได้ถ้าเรายังไม่รู้ว่าศาสนาไหนเหมาะกับเราเราก็ลองเข้าไปศึกษาแต่ละศาสนาดูก็ได้ว่าศาสนานี้เป็นอย่างไรทําอะไรให้กับเราได้เราต้องทําอะไรให้กับศาสนานี้เราถึงจะได้เหมือนกับไปซื้อรถยนต์ ื้อรถยนต์เช่นตอนนี้เรามีเงินอยากจะซื้อรถสักคันหนึ่งแต่เราไม่รู้ว่าจะซื้อคันไหนเราก็ลองใส่คําว่ารถยนต์เข้าไปในอินเทอร์เน็ตดูมันก็จะมีรถยนต์ยี่ห้อต่างๆมีรถยนต์แบบชนิดต่างๆเราต้องการชนิดไหนก็เลือกดูเอาชอบสีไหนชอบแบบไหนชอบรถเกง๋งชอบรถกระบะชอบรถสปอร์ตมีให้เลือกเยอะแยะ ม, มีราคาหลากหลาย อยู่ที่ความต้องการอยู่ที่ความสามารถของเราอยู่ที่กำลังซื้อของเราว่ามีมากมีน้อยอย่างไรในที่สุดเราก็จะเลือกเราก็จะพบรถที่เราต้องการอันนี้ก็เช่นเดียวกันศาสนาก็เป็นเหมือนรถยนต์เป็นเหมือนสินค้าอันหนึ่งถ้าเราอยากจะรู้ว่าศาสนาแต่ละศาสนานี้ทำอะไรได้บ้างทำอะไรให้กับเราได้บ้างเราก็ต้องไปศึกษาดูแต่ละศาสนา อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่อาจจะทำให้เราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่เลือกเป็นเราจะพบว่าไม่มีศาสนาไหนที่จะให้สิ่งที่ดีกับเราได้เท่ากับพระพุทธศาสนาไม่มีศาสนาไหนที่ให้การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีศาสนาไหนให้มรรคผลนิพพาน แกจิตใจของพวกเราได้นอกจากศาสนาพุทธเท่านั้นอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งถ้าเราไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวที่เป็นชาวพุทธแต่เราเป็นคนที่มีคนมีความอยากรู้อยากเห็นเห็นคนเข้าวัดเข้าโบวถเข้าไปทําไมเห็นคนเข้าบวชบวชกันทําไมทําไมต้องไปถือศีลแปดนุ่งขาวห่มขาวกัน ทำไมไม่ไปเที่ยวไปกินเหล้าเมายากันออันนี้มันก็ต้องศึกษาถึงจะรู้ว่าทําไมเขาถึงทาอะไรกันอย่างไรเพราะศึกษาแล้วเราก็อาจจะเห็นคุณค่าของการปฏิบัติของเขาก็ได้แล้วก็จะทําให้เราอยากจะปฏิบัติตามเขาก็ได้ออันนี้ก็เป็นวิธีต่างๆที่เราจะสามารถอ เข้าถึงได้แม้แต่ปัจจุ บ, บันนี้อินเทอร์เน็ตมันก็มีแบบอยู่ดีๆมันก็โผล่ขึ้นมาก็ได้ถ้าเกิดเราเป็นสมาชิก Facebook หรือ youtube พอมีการแสดงสดมันก็เด้งขึ้นมาบอกเราก็ได้ทั้งๆที่เราอาจจะไม่ได้สนใจติดตามแต่พอมีรายการสดขึ้นมามันจะบอกทันทีเราก็อาจจะเปิดดูเปิดฟังฟังแล้วอาจจะชอบก็ได้ ถ้าไม่ชอบก็ปิดไปเปลี่ยนช่องใหม่ไปดูอย่างอื่นอันนี้คือวิธีการต่างๆที่เราสามารถเข้าหาพระพุธพทธพระธรรมพระสงฆ์ได้แต่ถ้าเราไม่มีความสนใจในเรื่องศาสนาเลยเราก็จะไม่เข้าหาศาสนาล่ะแต่แม้มีเพื่อนมาชวนเราก็อาจจะปฏิเสธก็ได้บางคนนี่เป็นโรค ก, กลัวศาสนาก็มี กลัวว่าการเข้าหาศาสนาแล้วจะถูกล้างสมองเห็นเพื่อนฝูงพอเข้าหาศาสนาแล้วเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อก่อนล่าเริงสนุกสนานเฮฮากินเหล้าเมายาเที่ยวเล่นแต่พอเข้าวัดเข้าว่าแล้วอากลับกลายเป็นคนส้ำรวมสงบสงมคนไม่มีชีวิตชีวาก็กลัวก็ได้กลัวเดี๋ยวตัวเองจะไปเป็นแบบนั้น เห็นเพ up, startup, an. ื่อนฝูงเมื e ่อก่อนไคยเที uh ่ยวเคยกินเล่ากันดี๋ยวนี้ไปบวชเป็นพระซะแล้วเดี๋ยวถ้าไปตามเขาเดี๋ยวต้องไปเป็นพระขึ้นมานี่ก็กลัวขึ้นมาก็ได้บางคนมีอาการกลัวศาสนากันเป็นโรคแพ้ศาสนาพวกนี้ก็ยากพวกนี้เป็นพวกที่อาพวาาสนาใครก็ตามที่เป็นโรคแพ้ศาสนานี้เป็นพวกที่น่าสงสารมาก เพราะศาสนานี่เป็นสิ่งที่มีคุคณค่ามีคุณประโยชน์แก่ชีวิต จ, จิตใจโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ใจมากถ้าเข้าถึงแต่ถ้าเป็นโลกแพ้ศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาแล้วก็น่าสงสารคนที่กลัวศาสนาไม่กล้าเข้ากันกลัวเดี๋ยวจะต้องต้องจับถูกจับบวชกันยังอยากจะ ไว้ผมยาวๆ ย, ยังอยากจะแต่งเนื้อแต่งตัวยังอยากจะไปเที่ยวไปเล่นอยู่พอต้องมาวัดเดี๋ยวมาวัดแล้วเดี๋ยวถูกดูดให้มากลายเป็นแม่ชีไม่ให้เป็นพระขึ้นมานี่รู้สึกว่าโอยไม่ไม่เป็นภาพที่น่าปรารถนาเลยถ้ายังไม่เข้าถึงธรรมะถ้ามองแต่ภาพของศาสนาอาจจะไม่น่าชื่นชมยินดีเพราะผู้ที่เข้าหาศาสนาแล้วนี่ ภาพทางทางตานี่มันจะเป็นภาพลบเสียมากกว่าเป็นภาพบวกคนจะต้องโกนหัวต้องนุ่งขาวห่มขาวนุ่งเหลืองห่มเหลืองเอทําอะไรก็ทําไม่ได้ให้นั่งเฉยๆให้ไหว้พระสวดมนต์ให้ฟังเทศฟังธรรมให้นั่งสมาธิเท่านั้นไม่รู้ว่าได้อะไรจากการถ้าดูโดยภาพนี้จะไม่รู้ว่าเขาได้อะไรกันถ้าไม่ลองทําเองนี้จะไม่รู้เอ ก็กลัวเพราะว่าไม่เคยทําสิ่งเหล่านี้มาก่อนนั่นเองคเคยหาความสุขได้จากการเต้นแรงเต้นการ้องราทําเพลงพอจะต้องมานั่งเฉยๆนั่งหลับตานี่ไม่รู้ว่าจะได้อะไรเพราะเคยนั่งหลับตานั่งเฉยๆแล้วมีแต่ความเครียดเจนเวลาต้องไปนั่งรอใครนี่เกิดความเครียดขึ้นมาหงุดหงิดนาคาญใจเวลาไปนั่งรอหมอนั่งรออะไร นั่งเฉยๆแล้วมันรู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยแล้ว เ, เห็นเพื่อนๆที่เขามาบวชกันมาปฏิบัติธรรมกันนี่ไม่รู้เขาได้อะไรกันบางคนเป็นพวกที่เป็นโรกแพ้าศาสนาก็จะไม่กล้าไม่กล้าตามมาแต่เป็นพวกถ้าเป็นพวกที่มีมีเหตุมีผลมาคิดดูว่าถ้าเขาไม่มีความสุขเขาคงไม่มาทำหรอก นี่ความสุขที่เขาได้นั้นเป็นอย่างไรเราก็อาจจะอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาก็ได้นี่เป็นพวกที่ไม่ไม่ไม่แพ้ศาสนาเป็นพวกที่มีเหตุมีผลพอพอเห็นเขาทำอะไรก็อาจจะไต่ตรองคิดรอบครอบคิดพิจารณาอย่างรอบครอบก็อาจจะอยากจะทำให้สนใจอยากจะลองดูบ้างมีเพื่อนแบบนี้ก็ดีอย่างเพราะว่าจะทำให้สามารถถามเขาได้ว่า ไอ้มาวันแล้วได้อะไรวะถ้าคุยถามเขา <c oughs> เขาบอกว่าได้อย่างนูน้นได้อย่างนี้มาลองทำดูสิอ่าอันนี้มันก็อาจจะทำให้เราเกิดความสนใจขึ้นมาได้อลองมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมลองมาฝึกนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ลองทำตามที่เขาทำกันดูให้มันเป็นอย่างไรอ่าพอได้ทำแล้วมันก็จะได้สัมผัสกับผล ได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ว่าทำถูกมากถูกน้อยถ้าทำถูกน้อยก็ยังจะได้น้อยถ้าทำถูกมากก็จะได้มากอันนี้ก็เป็นวิธีการต่างๆที่จะทำให้เราเข้าถึงศาสนาได้เข้าถึงสิ่งที่เป็นสิ่งที่มาัจจรใจของโลกอย่างแท้จริงสิ่งมาสัจจรใจต่างๆที่โลกก็มีอยู่นี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่มาสัจจร ที่เราจะได้สัมผัสจากการปฏิบัติแล้วนี้เป็นคนละโลกเลยเป็นคนละระดับเลยสิ่งต่างๆที่เราเรียกว่าสิ่งมาสัจรย์เช่นกำแพงเมืองจีนปีระมิดหรืออะไรต่างๆหรือจะจลวดอะไรก็ตามถ้ามาเปรียบเทียบกับผลที่เราได้รับจากการปฏิบัติแล้วนี้มันเทียบกันไม่ได้เลยความมาสัจจัใจความมาสัจจัใจที่ได้จากการปฏิบัติทำนี้มัน อยู่ในขั้นแบบว่าอธิบายไม่ได้อยากจะรู้ต้องสัมผัสเองต้องปฏิบัติเองสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นแต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบก็เปรียบเทียบได้ว่าดีกว่าสิ่งมหศัศจรรย์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้หรือดีกว่าเงินทองกองเท่าภูเขาก็แล้วกันะครับหรือดีกว่าการได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถ้าใครได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจะรู้สึกมหศัศจรรย์ขึ้นมา แต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับการที่ได้พบกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติแล้วมันเป็นเหมือนผงธุลีกับภูเขาการที่เราได้พบความมาสั จ, จรย์ของใจนี้เหมือนภูเขาส่วนการที่เราได้พบกับสิ่งมาัั จ, จรย์ของโลกนี้เป็นเหมือนผงทุลีเล็กน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกันอันสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดึ้นได้ก็ต้องมีศรัทธาฉั้นถ้าเรายังไม่มีศรัทธานี้เราต้อง พยายามปลูกฝังศรัท ธ, ธาให้เกิดขึ้นให้ได้ถ้าเรารู้แหล่งของศรัท ธ, ธาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องพยายามเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วิธีเข้าก็คือการศึกษาด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมหรือด้วยการอ่านหนังสือธรรมะต่างๆต้องพยายามอ่านอยู่เรื่อยๆหาธรรมะต่างๆมาอ่านพระสูตรต่างๆประวัติของพระพุทธเจ้าเนี่ย ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวก็พอแล้วจะเกิดศรัทธาล้นฟ้าขึ้นมา 45,000 ้า 45, ษาของพระพุทธเจ้าหลังจากตัดสรตแล้วมีหนังสือลองค้นหาดูก็ได้เนี่ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าอยากจะเกิดศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาให้คนให้ใส่ข้อความประวัติของพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีหนังสือมีอะไรต่าง ให้เราได้ศึกษาได้ค้นคว้าแล้วพอเราได้ศึกษาได้ค้นคว้าเราถึงจะรู้ว่าพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นสิ่งที่มาสัจจันยิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่มนุษย์เรายกย่องว่าเป็นสิ่งมหาหัสจ์นเราจะรู้เลยว่าความมาสัจจั์ของพระพุทธเจ้านี่มันเป็นเหมือนภูเขาส่วนสิ่งมาสัจรันต่างๆในโลกนี้เป็นเหมือนผงทุลี แล้วมันจะทำให้เราเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อในพระพุทธในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระอริยสงฆ์ว่าท่านเป็นบุคคลที่ประเสริฐเป็นบุคคลที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งแล้วมันจะทำให้เราอยากจะเป็นเหมือนท่านเห็นไหมเด็กๆ เ, เวลาดูหนังการ์ตูนแล้วอยากจะเป็นตามตัวการ์ตูนไหมดูซูเปอร์แมนเดี๋ยวนี้ ต้องขอร้องให้พ่อแม่คอยซื้อชุดซุปเปอร์แมนให้ใส่ดูแบทแมนดูสไปเดอร์แมนเดี๋ยวนี้เห็นเด็กใส่ชุดอะไรต่างๆพาะ อ, อะไรพะเก็เห็นความมหัศ จ, จรรย์ของของตัวการ์ตูนเหล่านี้ก็อยากจะเป็นเหมือนเขาอยากจะเป็นซุปเปอร์แมนใครไม่อยากเป็นบ้างบินได้มีตาทิพย์ใช่ไหมเหาเหินเดินอากาศได้หนังเหนียวปืนยิงก็ไม่เข้า ใครๆก็อยากเป็นนั่นอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าของเราก็คือซูเปอร์แมนดีๆนี่ถ้าเราศึกษาเราจะรู้ว่าไม่มีอะไรจะทำลายพระพุทธเจ้าได้ทำลายจิตใจของพระพุทธเจ้าได้ไม่มีความทุกข์ต่างๆที่จะเข้าไปสู่จิตใจของพระพุทธเจ้าได้ไม่มีความสุขอันใดที่จะมีความสุขมากเท่ากับความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบเนี พอเราได้ศึกษาประวัติของพระพทเจ้าก็เหมือนเด็กที่ได้ดูหนั ง, นงการ์ตูนต่างๆเนี่ยพอดูแล้วมันผาทับใจอยากจะเป็นซุปเปอร์แมนบ้างอยากจะเป็นสไปเดอร์แมนบ้างอยากจะเป็นแบทแมนบ้างแต่แม้เด็กเดี๋ยวนี้ใส่ชุดต่างๆให้เห็นไหมวันเกิดวันอะไรนี่วันเด็กช่วยวันนี้คงจะมีซุปเปอร์แมนชุดซุปเปอร์แมนหลายคนเนี่ยถ้าลองไปดูอันนี้เด็กอยากจะเป็น ซูเปอร์แมนกันเป็นสไปเดอร์แมนกันเป็นแบทแมนกันเพราะเด็กพวกนี้เขาเห็นการ์ตูนก็ได้ดูการ์ตูนดูการ์ตูนของอมนุษย์มหศัศจรรย์ทั้งหลายเหล่านี้ก็อยากจะเป็นเหมือนเขาเ น, นี่ยพวกเราก็เหมือนกันคนมาดูการ์ตูนของพระพุทธศาสนาบ้างมาศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้ากันเถิดแล้วเราจะได้รู้จักซูเปอร์แมนที่แท้จริงอันนี้แหละเป็นของแท้ของจริง ของที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดเนี่ยซูเปอร์แมนอะไรต่างๆนี้มันไม่ได้เป็นของแท้ของจริงเลยถ้าถ้ามันเป็นของแท้ของจริงมันก็เป็นแค่ชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเองพอซูเปอร์แมนตายไปแต่มันไม่ตายเนะเพราะว่าถ้ามันหนังเหนียวมันก็คงไม่ตายแต่มันก็ไม่มีในโลกนี้ที่เป็นมนุษย์ที่หนังเหนียวแลวไม่ตายอันนี้เป็นนิยายซูเปอร์แมนนี่เป็นนิยาย แต่พระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่นิยายเป็นของจริงคนที่ไม่ศึกษาก็อาจจะลังเลสงสัยได้อาจจะคิดว่าก็เป็นเหมือนเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาเหมือนเรื่องของซุปเปอร์แมนเรื่องหานุมานเรื่องอะไรต่างๆแต่ถ้ามาศึกษาจริงๆแล้วมันมีที่ยืนยันกันมีที่พิสูจน์กันได้ผู้ที่พิสูจน์ว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นซุปเปอร์แมนก็คือพระอริยสงสาวกเนี่แพระอริยสงสาวกก็คือ พวกเรานี่แหละพวกที่เป็นที่ยังไม่ได้เป็นซูเปอร์แมนพอเราได้ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วเราเอาไปปฏิบัติเดี๋ยวเราก็ได้กลายเป็นซูเปอร์แมนขึ้นมาได้กลายเป็นพาาระอรหันตสาวกขึ้นมาเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่แหละคือผู้ที่มารับรองมายืนยันความมหัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าก็คือพระอาริยสงสาวกทั้งหลาย พระโสดาบันพระสกิฎราคามีพระอนาคามีพระอาหารหันนี่แหละเป็นสักขีพยานในความวิเศษเลิ่โลกของพระพุทธเจ้าพอความวิเศษเลิ่โลกของพระพุทธเจ้านี้สามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้เด็กๆถ่ายทอดได้ก็เพียงแต่ใส่เสื้อผ้าของซูเปอร์แมนเท่านั้นแต่เหาะเหินเดินอากาศไม่ได้ถ้าเดินถ้าเดินสะดุดหกล้มหัวก็แตกได้แต่ พระ อ, อริยสงสาวกของพระพุทธเจ้านี่สามารถน้อมเอาความมาสจั์ของพระพุทธเจ้าเข้าไปสู่ใจของเขาได้จึงไม่มีใครสงสัยในเรื่องของพระพุทธเจ้าในพระ อ, อริยสงสาวกลูกองค์นี้เชื่อรับรองรับประกันร้อยเปอร์เซนว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นของจริงของแท้เป็นสิ่งที่มาสจั์ที่แท้จริงของโลกนี้ พอเราได้ศึกษาจนเข้าใจแล้วเราก็อยากจะเป็นพระพุทธเจ้ากันขึ้นมาอยากจะเป็นพระอริยสงฆ์สาวกกันขึ้นมาพอเมื่อมีความอยากความยินดีที่จะเป็นเราก็จะขยันหมั่นเพียรที่จะปลูกฝังธรรมที่จะทำให้เราได้เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาเราก็จะขยันปฏิบัติเจริญสติขยันปฏิบัตินั่งสมาธิขยันปฏิบัติเจริญปัญญากัน แล้วพอเราได้สร้างสติสมาธิปัญญาขึ้นมาเต็มร้อยเมื่อไหร่เมื่อนั้นผลต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารกได้รับมันก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจของเราทันทีอันนี้แหละคือสิ่งวิเศษที่พวกเราจะได้รับจากการที่เรามาวัดมาฟังเทศฟังธรรมกันมาปลูกฝังธรรมะให้เกิดขึ้นมาภายในใจ เพื่อให้ได้ออกดอกออกผลอันเลิศอันวิเศษอันมหัศจรรย์ใจก็ขอให้เราพยายามปฏิบัติต่ตอไปอย่าไปปลูกฝังกิเลสอย่าไปเที่ยวไปเล่นกันมีเวลาว่างมาหลายควรจะเข้าหาธรรมะทันทีเข้าวัดก็ได้เข้าทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เดี๋ยวนี้มีวัดอยู่ทุกแห่งทุกคนในมือเราแล้วอยากจะเข้าวัดไหนในอินเทอร์เน็ตี้ค้นหาได้เลยอยู่ในมือถือของเรา อยากจะฟังเทศฟังธรรมของพระองค์ไหนฟังได้เลยอยากจะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดูได้เลยอ่านได้เลยอยากจะศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าก็ดูได้เลยอันนี้ควรจะทำกิจเหล่านี้คือศึกษาพระธรรมคำสอนศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระอริยสงสาวกทั้งหลาย แล้วมันจะทำให้เราอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็จะทำให้เรามีความขยันที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลขึ้นมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พ่อนยทถาวาเรวาะาปุราปาริกปุเรนติสาขลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตาหนังอุปกะปติอิทิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปเรนโตสังกะปาจันโทปนาระโสยะธามณิโชติราโสยะธาสัพพิตโยวิวาจจันโตสัพพโลกวินาศตุ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 ต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามก็เชิญส่งคำถามเข้ามาได้เลยเขียนเป็นข้อความก็ได้ถ้าอยากจะถามเองก็เชิญขึ้นมาบนที่สาราจะให้พูดผ่านทางไมโครโฟนวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ Facebook 301คนครับ YouTube 172คนครับวิทยุออนไลน์16คนครับ ผู้เราฟังบนเขาเก้าสิบสี่คนรวมทั้งหมดห <ไป S 1> ้าร้อยแปดสิบสามคนกรับอาจายปมีนักเรียนนี้เรียนเที่ยว <c oughs> นี้ไปเที่ยวกันอ่าถามต่อได้คำถามจากทาง YouTube นะคะจากคุณดาดาพอเริ่มรู้จักธรรมะรู้จักความไม่เที่ยงเข้าใจถึงเรื่องสัจธรรมเริ่มเห็นว่าเราเกิดมาต้องตายแต่เมื่อนึกถึงความตายแล้ว รู้สึกใจหายและทุกข์ที่ต้องผัดพาคจากสิ่งที่รักมีอุบายหรือวิธีใดที่จะทำไม่ให้ทุกข์ไหมเจ้าคะก็ต้องปฏิบัติธรรมนั่นเองต้องเจริญสติสมาธิและปัญญาแล้วสติสมาธิปัญญาจะหยุดความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราได้สาธุคำถามจากคุณเดือนฉายค่ะกลาบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะ ถ้าเราใส่บาทแล้วเราแผ่อุทิศบุญให้กับบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ทราบว่าท่านจะได้รับบุญไหมเจ้าคะ่ะ อ, อสู้ให้บิดามารดาเขาทาเองจะได้บุญมากกว่าบุญนี้เขาอุทิศให้เฉพาะผู้ที่ร่วงรับที่ไม่สามารถทําบุญได้ด้วยตนเองแล้วผู้ที่ทําบุญได้ด้วยตนเองให้เขาทําบุญดีกว่าให้เงินเขา เ, เรียกว่าชวนเขา การทำบุญนี้ต้องเป็นเงินของเขาต้องเป็นความศรัทธาความต้องการของเขาเขาถึงจะได้บุญแต่บุญอุทิศนี้สำหรับคนที่ไม่สามารถทำบุญเองได้ก็อุทิศให้เขาได้แล้วก็น้อยมากเหมือนเงินให้เงินที่ให้ขอทานแต่บุญที่เราทำเองนี้เป็นเหมือนเงินที่เราหามาจากการทำงานจากเงินเดือนที่เราได้มันมากกว่ากันเยอะคาถามจากคุณสัญญาค่ะ กาบเรียนถามวิธีนอนสมาธิว่าสามารถทําให้จิตรวมได้หรือไม่ครับถ้าได้นอนหงายหรือนอนตะแคงวงเล็บเป็นหมอนรองกระดูกหมอห้ามนั่งปัจจุบันนอนสมาธิวันละหลายชั่วโมงจิตไม่รวมหลายครั้งตกผวังไม่หลับแต่ไม่มีตัวรู้ครับถ้ไม่มีสติกําลังมากพอเน่ยนอนสมาธินี้มักจะหลับ ถ้าไม่หลับก็ไม่รวมอย่างที่พูดนี่ยนันต้องพยายามฝึกสติให้มีมากมา ก, มากฝึกสติทั้งวันไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรามาทำสมาธิทอนนั้นควฝึกสติตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาพอจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดก็พุโทโธพุโทโธหยุดมันแล้วถ้ากำลังสติเรามากเวลาเราจะทำสมาธิไม่ว่าในท่าไหนก็สามารถ สงบได้รวมได้แต่ถ้ายังไม่มีสติมากพอถ้าไปอยู่ในท่านอนมันจะหลับง่ายคำถามจากทางยูทูบค่ะกราบนรมส ก, การพระอาจารย์ครับขอถามธรรมะจะใช้สติปัญญาไม่ให้จิตส่งออกได้หรือไม่อย่างไรจึงจะถูกต้องขครับก็เบื้องต้นใช้สติก่อนนะใช้พุทธโธคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธ ถ้าเราบริกรรมพุโทโธอยู่เรื่อยๆจิตก็ไม่สามารถส่งไปข้างนอกได้ถ้าเราหยุดพุดโทโธปัจมันก็จะคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆขึ้นมามันก็ส่งออกไปข้างนอกทันทีฉั้นเบื้องต้นพยายามฝึกสติใช้พุโทโธใช้คำบริกรรมพุโทโธดึงไว้หรือถ้าเรามีความสามารถที่จะดึงผูกจิตไว้กับร่างกายก็ให้มันอยู่กับร่างกายร่างกายกำลังทาอะไรก็ให้มันทาไปกับร่างกาย กำลังเดินก็เดินไปกับร่างกายกำลังอาบน้ำก็อาบน้ำไปกับร่างกายอย่าปล่อยให้มันไปที่ส่วนใหญเราจะอยู่กันคนละที่จิตกับร่างกายมักจะอยู่อย่คนละที่พอเริ่มอาบน้ำปั๊บมันก็ไปแล้วแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็ไปอีกไปกลับไปกลับอย่างนี้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้แล้วก็กลับมาอาบน้ำต่อปั๊บมันก็ไปอีกละเราต้องให้มันอยู่กับร่างกายตลอดเวลาถึงจะเรียกว่ามีสติ ที่จะทำให้จิตสงบได้คำถามจากคุณสุขใจคะ่ะการเจริญสติอย่างต่อเนื่องในเวลาตื่นเพื่อหยุดความคิดจะให้ช่วยฝันน้อยลงหรือไม่ฝันเลยในตอนนอนหรือไม่คะก็มีส่วนเพราะถ้าจิตไม่คิดมันก็ไม่ฝันแต่เวลาจิตนอนหลับมันไม่มีสตินลมันก็ยังฝันต่อได้ นอกจากพวกที่มีสติกำลังมากๆเข้าสมาธิได้บ่อยๆการจะฝันนี่มันก็จะน้อยลงไปน้อยกว่าคนที่ไม่มีสติคำถามจากคุณชัยประสิทธิ์ค่ะขอเรียนถามพระอาจารย์เมื่อเราพิจารณาร่างกายเห็นเป็นธาตุทั้งสี่แล้วไม่มีอะไรในร่างกายนอกจากธาตุทั้งสี่แล้วรู้แล้วเห็นแล้วมีแค่ตัวรู้ แล้วเราจะปล่อยวางอย่างไรครับแล้วไปยังไงต่อครับก็ไปหาที่ร่างกายมันจะมันจะตายสิต้องไปทดสอบดูไปที่ที่มันรู้สึกว่าจะเป็นจะตายเช่นไปอยู่ในป่าคนเดียวไปตรงที่มีสิงสารสาัตว์ที่อาจจะมาฆ่าเราได้แล้วดูว่าเราปล่อยมันได้หรือเปล่าถ้าเรามีปัญญาเราเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเรามันเป็นเพียงธาตุเท่านั้นเอง เราก็จะเฉยแต่ถ้าเรายังไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราเราก็จะหวาดกลัวขึ้นมาสันใจก็จะสันขึ้นมาวิธีที่ประสูติความรู้ของเราว่าเป็นความรู้จริงหรือเป็นความรู้ปลอมก็ต้องไปขึ้นเวทีเหมือนนักบวยอยากจะรู้ว่าโชคเก่งไม่เก่งหรือทีมช้างศึกนี่จะรู้ว่าจะเก่งไม่เก่งไม่ใช่ตอนที่ซ้อมมันต้องไปขึ้น ลงสนามตอนนั้นแหละถึงจะรู้ว่าแพ้หรือชนะกันตอนที่ซ้อมนี่ยังไม่รู้ตอนที่ซ้อมก็คุยโอ้ยสบายจะรู้ไม่รู้ก็ต้องไปลงสนามอันนี้ก็เหมือนกันการพิจารณาร่างกายว่าเป็นธาตุสี่ใจเป็นธาตุรู้นี่ต้องไปพิสูจน์ความจริงว่ารู้จริงหรือไม่จริงถ้ารู้จริงแล้วไม่หวั่นไหวกับความเป็นความตายของร่างกาย คำถามจากทางไลน์ค่ะเรื่องจากพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อวันที่22พฤศจิกา61ได้มาเข้าฝันเพื่อนของพ่อว่าทำยังไงได้บ้างอยากกลับมาอยู่กับครอบครัวเหมือนเดิมยังคิดถึงยังเป็นห่วงครอบครัวอยากกลับมาที่เดิมเพื่อนก็เลยพาไปหาพระพระตอบว่าอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าค่ะ ะอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับความฝันให้หน่อยเจ้าค่ะว่าเป็นไปตามฝันหรือไม่หนึ่งอาจจะเป็นความคิดของเราเป็นนิยายที่จิตเราปรุงแต่งขึ้นมาก็ได้ฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของเราไม่ต้องไปกังวลเขาจะกลับมาไม่กลับมามันต้องเขาต้องทำเขาเองกลับมาตอนนี้ก็อาจจะถ้าอยากจะมาอยู่กับครอบครัวแล้ ว, ลวก็อาจจะต้องมาเป็นจิ้งจบตุ๊กแกนะ่ ถ้า จ, จะมาเป็นคนนี้ถ้าคนในบ้านไม่มีใครแต่งงานมันก็มาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องนิยายรุงแต่งของจิตเองมโนเ้าเรียกสมัยนี้เขาเรียกว่ามโนเวลาฝันก็มโนมโน ล, ลืมตาหรือมโนหลับตาเขานี่มเพราะฉะนั้นอย่าไปให้สาระความสำคัญกับมโนมากเกินไปยิ่งเฉพาะที่เรื่องไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเราก็อย่าไปสนใจ เขาจะกลับมาได้ก็กลับม า, เข า, มบมาเขาไม่กลับมาก็ไม่กลับมาเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปจัดการอย่างใดได้คําถามจากคุณนุชเจ้าค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนําเกี่ยวกับภาพปฏิทินที่เป็นรูปพระพุทธรูปและพระสงฆ์ที่เราจะไม่เก็บแล้วเพราะมีเยอะเราควรทําอย่างไรจึงจะเหมาะสมเจ้าค่ะก็ดูว่ามีใครอยากได้หรือเปล่า ถามคนที่เขาอชอบพรพุทธรูปอะไรต่างๆเขาอาจจะอยากได้สะสมก็ให้เขาไปถ้าหายค่ะหาก่อนรับไม่ได้ความจริงเมื่อก่อนเรามีแล้วก็ม้วนๆเก็บไว้ก็ได้เผื่อวันหน้าเราอยากจะอะดูหรืออยากจะอะไรเราก็ยังสามารถหยิบมาดูได้ถ้ามันไม่เหนือบาปฝ่าแรงจริงๆอก็เก็บไว้ได้ก็เก็บถ้าเก็บไม่ได้ก็เผ า, เเาทิ้งไปะ ตอนนี้ไม่มีแล้วจ้ะค่ะอ่าไม่มีแล้วเอออาจารย์หนูขออนุญาตนะคะอ ย, อย่างโยมผู้หญิงถ้าถ้าจะอยากเหมือนกับไม่ให้กลัวอะไรเงี้ยจ้ะคะ่ะถ้าเราจะเข้าไปในที่มืดๆอย่างเงี้ยจ้ะคะ่ะอาจารย์แนะนําว่าควรจะไปสถานที่แห่งใดบ้างเจ้าค่ะก็ไปที่ที่เรากลัวสอิอย่างเช่นอยู่บนเขาก็าก็ไปนั่งบน อที่ไหนเรากลัวก็ไปที่นั่นนะเอค่ะเลือกเอาแต่ก็ไม่ควรเข้าไปในป่าลึกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเจ้าค่ะก็แล้วแต่เราว่าเราอคือหนูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะก็ต้องดูกําลังของเราเจ้าค่ะดูกําลังว่าเราหยุดความกลัวได้หรือเปล่าเจ้าค่ะแต่ยังไงก็ต้องคือต้องเราต้องสร้างสติก่อนถูกไหมเจ้าค่ะถ้าไม่มีสติกถ้าไม่มีเครื่องมือไปมันก็เตลิดเปิดเปิดเจ้าค่ะก็กลัวเดี๋ยวก็กกยสถธุค่ะ